เจริญพทุนทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้เรามากันเยอะกว่าที่หลวงพ่อคิดนะวันนี้มีงานหลวงปู่จามหลวงพ่อมาเทศที่นี่เลยไม่ได้ไป ไ, ได้แต่ฝักปัจจัยเข้าไปทําบุญเรามาฟังธรรมนะแต่เดิมหลวงพ่อก็ามาย่านนี้บ่อยมากเลยสมัยตั้งแต่เป็นคารวะมหาครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์อยู่อีสานนะส่วนใหญ่นะกับที่เชียงใหม่ท่านหลวงปู่สิมไดนะ้อยู่ทางนัน้นครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ทางอีสานคนอีสานนะเป็นคนมีบุญวาสนานะอาจจะไม่ร่ํารวยเท่าภาคอื่นเขาแต่ธรรมะเนี่ยไม่แพ้ใครเลยร่ํารวยด้วยศีลด้วยธรร ม, มาแต่ไหนแต่ไรก่อนหลวงพ่อก็มาเรียนจากครูบาอาจารย์เนะี่ยตั้งแต่ เมืองเลยมาหนองคาย อ, อุดรสะกลไปนครพนมเลยเนี้ยครูบาอาจารย์เยอะมากเลยแต่ก่อนจะเข้าไปหาครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเข้าไปหาองค์ไหนองค์ไหนนะท่านจะสอนมันลงที่เดียวกันหมดเลยลงมาที่จิตที่ใจ่เองนะปกติเวลาท่านสอนทั่วๆไปนีถ้าสอนค า, ารวะเส่วนมากจะสอนให้ทําทานให้รักษาศีลหรือก็าพานั่งสมาธิบ้าง แต่เวลารลพอเข้าไปหาเนี่ยท่านจะสอนถึงขั้นเจริญปัญญาเพราะเราทำพื้นฐานมาแล้วนะเข้ามาท่านจะมาสอนเรื่องปัญญาซะเป็นส่วนใหญ่ตอนหลวงพ่อบำบวดแล้วนี่ก็เอาเรื่องการเจริญปัญญามาสอนขราวาสบางทีครูบาอาจารย์ท่านเจอท่านก็บอกว่าไม้ประโมทสอนยากไปคราวาสเรียนไม่ได้หรอก ฆราวาสนะเรียนให้แค่ทำทานรักษาศีลหรือผ่านั่งสมาธินิดหน่อยๆก็พอแล้วละแค่นี้ก็ให้ทำได้เสีย ก, ก่อนอย่าว่าแต่จะมาเจริญปัญญาให้เกิดมากเกิดผลอะไรเลยนะหลวงพ่อก็ไม่เถียงท่านนะเถียงครูบาอาจารย์เน่ยไม่ดีแต่ไม่เชื่อเลยทำไมไม่เชื่อเพราหลวงพ่อภาวนาทั้งแต่เป็นฆราวาสครูบาอาจารย์เขาบอกว่าทำได้ทำไมฆราวาสคนอื่นจะทำไม่ได้ ปัญหาใหญ่ที่ทําให้ฆราวาสเราภาวนาไม่ค่อยจะได้นะั่นก็คือเราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังธรรมะในขั้นการปฏิบัติที่แท้จริงส่วนมากก็จะได้ยินแค่ว่าให้พุโทโธไปให้หายใจไปอะไรแค่นี้เราไม่รู้หรอกว่าการปฏิบัติจริงๆนะเราทําไปเพื่ออะไรจะทําอย่างไรนะเราต้องรู้ชัดนะเราจะทําเพื่ออะไรต้องรู้เราจะทําอย่างไรรู้นะต้องรู้วิธีถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรทําอย่างไรนะ เราจะ ป, ปฏิบัติได้ยังไงแล้วถ้าไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเราก็ยึดปฏิบัติไม่ได้ใหญ่ในสมัยพุทธกาลอนาถปิทิกาเรเศรษฐีตอนใกล้จะตายนะีนิมนต์ท่านพระสารีบุตรไปแสดงธรรมให้ฟังพระสารีบุตรแสดงธรรมให้ฟังเกี่ยวกับขันหนะ้าเรื่องรูปนะประกอบเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะประกอบด้วยรูปร่างกายนี้ ประกอด้วยเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์สัญญาคือความจําได้หมายรู้สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่ววิญญาณคือความรับรู้หรือจิตที่เกิดทางตาบูจมูกลิ้นกายใจกันท่าทั้งหมดนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอนาถบิธิกนะพอได้ฟังในะร้องไห้เลยบอกว่าทําไมตอนที่ผมยังแข็งแรงอยู่ท่านไม่เทศให้ฟังถ้าท่านเทศธรรมะชั้นสูงอย่างนี้ให้ฟังนะ ผมคงจะได้มัดผลมากกวัานี้อีกนะต่อไปอารัธนาพระคุณเจ้าช่วยสอนฆราวาสบ้างเถอะธรรมะในขั้นปฏิบัติชั้นสูงอย่างนี้นี่หลวงพ่อก็เลยจเจริญรอยตามนะที่ท่านภาษาลิบุตรท่านรับอารัธนาไว้คือธรรมะมันไม่ใช่ของที่ว่าลึกลับซับซ้อนอะไรหรอกเป็นของประณีตเป็นของสูงนะจริงอยู่เป็นของประณีตจริงอยู่นะแต่ไม่เหลือวิสัย ที่คนธรมธรมดาธรรมาอย่างพวกเราจะทําได้คนสมัยพุทธกาลทําได้คนรุ่นเราก็ต้องทําได้มันไม่ได้โง่กว่ากันหรอกนะถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วนะการปฏิบัติจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยการฝึกหัดปฏิบัติจิตใจของเรานะมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งทําไปเพื่อให้จิตใจมีความสุขมีความสงบมีคุณงามความดีอีกส่วนหนึ่งทําไปเพื่อให้เกิดปัญญาให้จิตใจฉลาดมีปัญญาเห็นความจริง ของกายของใจนะลําพังทําความสงบให้มีความสุขมีความสงบมีคุณงามความดีเนี่ยวิชาอย่างนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่คําสอนที่ให้มาฝึกจิตฝึกใจให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจของรูปของนนะามจนกระทั่งปล่อยวางได้นะมีเฉพาะในคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังธรรมะในขั้นของการเจริญปัญญาแล้วก็ เรียกว่าเรายังห่างไกลจากคําสอนของพระพุทธเจ้านะคำสอนเรื่องทําความสงบของจิตของใจเนี่ยลื้อสีชีปลรยเขาก็ทํากันนะแต่คําสอนในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยมีแต่าชาวพุทธเราที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังงั้นเราจะต้องตั้งอกตั้งใจเรียนหน่อยนะไม่ใช่เรื่องยากถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยการปฏิบัติจะสั้นนิดเดียวนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าถ้าเรา ปฏิบัติถูกแล้วปฏิบัติทำรรมสมควรแก่ทำขยันหมั่นเพียรทำไปทุกวันทุกวันเราจะได้ผลในเวลาอันสั้นท่านบอกว่าไม่เนินช้าจะได้ผลเร็วบางคนเจ็วันก็บรรลุแล้วบางคน7เดือนบางคน7ปีนะไม่เหลือวิสัยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราเคยได้ยินได้ฟังไหมเราเข้าใจไหมนะวิธีปฏิบัตินี่หลวงพ่อจะพูดแค่ครับคลุมทั้งสองส่วนนะ ไหนนานเจอกันทีหนึ่งการฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยพื้นฐานเลยเราต้องรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนศีลห้าจำเป็นมากนะถ้าเราไม่มีศีลห้าเนี่ยใจเราจะฟุ้งซ่านหาความสงบไม่ได้เลยที่เราถือศีลเนี่ยไม่ใช่ถือให้ลำบากเล่นบางคนคิดว่าถือศีลแล้วลำบากความจริงถือศีลแล้วสบายอย่างคนที่คิดจะฆ่าคนอื่นคิดจะทาร้ายคนอื่นนะ มันลำบากกว่าคนที่ไม่ได้คิดจะทําร้ายใครนะงั้นถ้าเราจิตใจเราไม่ได้คิดจะทําร้ายใครไม่ได้คิดจะเบียดเบียนคนอื่นไม่ได้คิดจะเบียดเบียนสัตว์ตอื่นนะจิตใจเรามีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวของมันเองถ้าเราอยากคิดเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นใจเราฟุ้งซ่านงั้นการที่เรามีศีลมันทําให้ใจเราสงบนะเอออย่างเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกนะสีเลนะสุขติยันติศีล น, นําไปสู่สุขตินําไปสู่ สิ่งชีวิต ท, ที่ดีขึ้นนะสีเลนะโพคสัมปทาสีเลศีลจะทําให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นศีเลนะ น, นิพุติยันติศีลจะนําไปสู่ความสงบระ ง, งับคือพระนิพพานงั้นถ้าเราขาดศีลสนะใจเราจะฟุง้งซ่านถ้าใจเราฟุ้งซ่านเนี่ยหาความสุขไม่ได้นะหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้หาความสงบไม่ได้ไม่มีแรงพอที่จะไป จเจริญปัญญาให้เกิดมรรคผลนิพพานอะไรหรอกคนคิดจะทำร้ายเขาใจก็ฟุ้งซ่านคนคิดจะขโมยเขาชอบโกงเขาใจก็ฟุ้งซ่านคนคิดจะนอกใจสามีนอกใจภรรยานะใจก็ฟุ้งซ่านควรโกหกหลอกลวงใจก็ฟุ้งซ่านใช่ไหคนคิดเล่าเมาอยาใจก็ฟุ้งซ่านถ้าเราถือศีลอนะไร ใ, ใ, ใ, ใจเราจะสงบงั้นเบื้องต้นนะพวกเราตั้งใจรักษาศีลให้ได้ศีลจะขาดบ้างก็พร่องก็แพฝงบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดา คาวาสจะรักษาศีลให้สะอาดหมดจดเนี่ยยากมากนะเพราะงั้นพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ศีลไม่ต้องไปขอคนอื่นก็ได้เรารู้จกักศีลห้าอยู่แล้วเราก็ตั้งใจงดเว้นศีลนะห้าเป็นเรื่องของการที่เราตั้งใจงดเว้นการทําบาปทําอาคุลทางกายทางวาจาห้าอย่างเท่านั้นเองเราจะมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณนะ์ถ้าเราขาดศีลเราก็ไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์หรอก จิตใจก็โหดเที่ยมามาหิจจิตใจเห็นแก่ตัวนะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัชาอะไรไปหรือตัวเราเป็นคนแต่ใจเราไม่เป็นคนต่อไปอย่างเราคิดจะเบียดเบียนคนอื่นนะทำร้ายคนอื่นในจิตแต่ไม่ได้โทสะจิตในขนาดนั้นร่างกายเราเป็นมนุษย์แต่ใจเราเป็นสัตว์นรกไปแล้วหรือเวลาที่เราโลภมากอยากได้ของคนอื่นเขานะร่างกายเรายังเป็นคนอยู่แต่ใจเราเป็นเปรตไปแล้วหรือเวลาเรา พุงสัน้นที่เล่าเมายาอะไรนะร่างกายเราอย่าเป็นคนใจเราเป็นสัตว์เดรัจฉานนะไม่รู้ผิดชอบโชั่วดีอะไรเลยเนั้นการที่เราจะมาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเนะี่ยต้องมีศีลห้าศีลห้าไม่ต้องขอคนอื่นตั้งใจเอาไว้ทุกวันตื่นนอนขึ้นมาเราตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลห้ากลางวันก่อนจะกินข้าวกลางวันตั้งใจรักษาศีลห้าอีกเพื่อกินข้าวกลางวันแล้วสำลักข้าวตายเราจะตายอย่างมีศีล ตอนเย็นก็นจะกินข้าวเย็นนะตั้งใจรักษาศีลห้าอีกก่อนจะนอนตั้งใจอีกเผื่อเป็นโรคไหล่ตายนอนแล้วไม่ได้ฟื้นจะได้มีตายไปอย่างมีศีลถ้าเรารักษาศีลได้นะชีวิตเราจะดีขึ้นนะจะร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยนอกจากการรักษาศีลแล้วถัดจากนี้ก็เป็นเรื่องการฝึกจิตใจของเราการฝึกจิตฝึกใจนะมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ฝึกจิตให้มีความสุขมีความสงบ หือฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นขั้นที่เรียกว่าฝึกสมาธิอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าขั้นเจริญปัญญานะขั้นทำสมถะขั้นทำวิปัสนาขั้นทำสมาธินั้ต้องรู้จักสมาธิมีหลายชนิดพวกเราจำนวนมากเลยนั่งสมาธิแล้วก็กลายเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้เลยนะส่วนใหญ่ของคนที่นั่งสมาธินั้ น, นทามิจฉาสมาธิ เมื่อ30ปีก่อนนะหลวงพ่อเข้าไปหาครูบาอาจารย์หลวงปู่เทศเนี่ยที่ที่ที่อยู่ที่หนองคายพินมะเป้งตอนหลังท่านมามรณภาพอยู่ที่ถ้ำขามเนี่ยท่านไม่สบายทนะ่านมาอยู่ถ้ำขามที่สกลนเองในที่วัดหลวงปู่เทสกลางคืนเนี่ยมีคนไปนั่งสมาธิในโบสถ์เนี่ยเยอะแยะเลยเต็มโบสถ์เลย แล้รอบรอบโบสถเนี่ยไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมเต้ไเนไปหมดเลยนะกลางคืนหลวงพ่อไปที่วัดไปภาวนาที่วัดคกลางคืนก็ไปที่โบสถ์บ้างเข้าไปดูที่โบสถ์มีแต่คนนั่งสมาธิแบบเคลิ้มๆนะเป็นอยู่รอบๆโบสถ์ก็นั่งแล้วก็เคล้มสบายสงบอย่างเงี้ยในใจเราก็นึกนะว่าเขาไม่ได้ปฏิบัตินั่งสมาธิอย่างนี้ไม่จัดมาปฏิบัตินะคาสติ เรตั้งขาสติเนี่ยใช้ไม่ได้เลยตอนเช้าเข้าไปกราบหลวงปู่พอหลวงปู่เห็นหน้านะท่านก็ยิ้มยิ้มท่านก็บอกเราบอกว่าที่วัดเนี่ยเขาไม่ปฏิบัติกันแล้วละ่ะคนที่ฟังนะได้ยินได้ฟังแล้วสงสัยทำไมหลวงปู่ว่าที่วัดนี่ไม่ปฏิบัติกคนปฏิบัติเป็นร้อยบอกไม่ได้ปฏิบัติเพราะว่าไม่ได้มีสติเลยนะ นั่งสมาธิแบบไม่มีสตินั่งแล้วก็เคลอบเคลิมลืมเนื้อลืมตัวหรือบางคนก็นั่งแล้วเคร่งเครียดพวกเราคนไหนนั่งแล้วเค ร, รียดบ้างมีไหมใครนั่งสมาธิแล้วเครียดเครียดบ้างนะนีะ่นเป็นมิจฉาสมาธินะใครนั่งแล้วก็เคลิมเคลิมสบายเพลินเพลินลืมเนื้อลืมตัวนี่ก็เป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่ดีต้องเป็นสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวนะกระทั่งจิตรวมลงไปนะโลกนี้หายไปทั้งโลกเลย ร่างกายของเราก็หายไปหมดเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวแลนะยังรู้เนะืรู้ตัวอยู่ไม่ขาดสติเลยนะเนี่ยสมาธิต้องมีความรู้สึกตัวแม้ขาดสติได้ถ้าสมาธิขาดสติเนะี่ยเป็นมิจฉาสมาธินิสมาธิที่มีสติยยังมีสองแบบแบบที่1เนี่ยจิตสงบอยู่เฉยๆแบบที่สองจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะสมาธิที่จิตสงบอยู่เฉยๆทําไม่ยากอะไร เราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์บันเดียวอย่างต่อเนื่องคนไหนพุโทโธแล้วสบายใจแนละ้วไปพุโทโธใจมันสบายแล้วมันก็ไม่หนีไปจากพุโทโธมันก็อยู่กับพุโทโธตลอดคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนะเราไปรู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้ามีความสุขอยู่เพราะจิตใจมันมีความสุขนยะจิตใจจะไม่ฟุ้งซ่านหนีไปที่อื่นจะสงบนะดูท้องพองยุบ ก, ก็ได้ ถ้าดูท้องพองยุแเราสบายใจนะเราก็ดูท้องพองยุบเห็นท้องพองเห็นท้องยุบใจเราสบายสบายดูไปอย่างสบายสบายข้าใจป็นสบายอยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยมันก็จะไม่ฟุ้งไปหาอารมณ์อันอื่นนะสบายอยู่กับพุทโธมันก็สงบอยู่ที่พุทโธสบายอยู่กับลมหายใจมันก็สงบอยู่กับลมหายใจสบายอยู่กับท้องพองยุบก็สงบอยู่ที่ท้องเดินจงกรมกาหนดจิตกาหนดสติไว้ที่เท้าจิตสบายมีความสุข ไม่หนีไปจากเท้าเลยอยู่ที่เท้าอันเดียวการที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะเป็นสมาธิที่เรียกว่าอารมณูปนิชฌานอารมมะก็คืออารมณ์จิตนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวสมาธิอย่างนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้านะสมาธิอย่างนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกเอาไว้ทําอะไรเอาไว้พักผ่อนนะเวลาที่เราเนหน็ดเหนื่อยเครียดเครียดเลยนะเราก็มานั่งหายใจมาพักผ่อนของเรา ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปหาวิธีพักผ่อนอย่างอื่นพักผ่อนแบบอื่นส่วนมากเสียสตังค์มานั่งสมาธิไม่เสียสตังค์อกสบายใจหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปใจสบายอยู่กับลมหายใจมันก็ได้สมาธิขึ้นมาสมาธิอย่างนี้เอาไว้พักผ่อนนะสมาธิอีกชนิดหนึ่งเป็นสมาธิที่พิเศษที่สุดเลยเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้า เป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราเคยได้ยินไหมคําว่าพุโทโธแปบลบว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราต้องมาฝึกจิตของเราให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างหลวงพ่อนะสมัยก่อน30ปีก่อนนะปะเวณหาครูบาอาจารย์เนี่ยเลาะริ่มโขงไล่มาเรื่อยนะทางอีสานใต้ก็ไล่แต่ไปแค่ทางสุรินนะไปโคราชไปบุรีรัมย์ไปสุริน ทางอีสานเหนือเนี่ยไล่ตั้งแต่เมืองเลยไปยันฝั่งเมืองลาวทางนั้นนะตรงหนองคายนครนนปรนมอะไรเนี่ยไล่ไปครูบาอาจารย์เยอะเข้าไปวัดไหนวัดไหนนะท่านสอนอยู่คล้ายๆกันหมดเลยสอนว่าให้มีจิตผู้รู้นะไม่ให้มีจิตที่เป็นผู้รู้รพุทโธเว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบา น, นหายใจออก นะใจเป็นคนรู้หายใจเข้าใจเป็นคนรู้นะยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนรู้จะทำอะไรก็มีใจของเราเป็นคนรู้ต้องฝึกนะต้องฝึกจนกระทั่งใจของเราเป็นคนรู้หลวงพ่อเนี่ยฝึกได้แต่เป็นโยมนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นไปหาครูบาอาจารย์ในบางองค์ท่านไม่รู้จักชื่ออย่างหลวงปู่สิมหรือท่านผาปล่องหลวงปู่สิมเจอหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นะผู้รู้ผู้รูนะ้เรียกผู้รู้ ผู้รู้อะไรรู้ตัวรู้สึกตัวผู้ไม่หลงนั่นเองผู้รู้กับผู้หลงตรงข้ามกันจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพวกหนึ่งจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงเป็นอีกพวกหนึ่งจิตของคนส่วนใหญ่เป็นผู้หลงลืมตัวเองทั้งวันเลยไม่ค่อยมีคนที่เจนเป็นจิตผู้รู้นั้นเราต้องมาพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้ขึ้นมาให้ได้ก่อน ถ้าเราไม่มีจิตผู้รู้นะเราจะเดินปัญญาไม่ได้จริงทําวิปัสนาไม่ได้วิปัสนาได้นะต้องจิตต้องเป็นคนดูเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันเคลื่อนไหวจิตเป็นแค่คนดูมันจะเกิดปัญญาเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวไปหมดเลยไม่ต้องคิดเลยว่ามันชั่วคราวหรือมันมันเที่ยงนะมันจะเห็นต่อหน้าต่อตาเลยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของไม่ใช่ตัวเรา วิธีที่เราจะฝึกให้จิตเป็นผู้รู้เนี่ยมีหลายวิธีนะมีสองวิธีหลักๆวิธีแรกหัดเข้าฌานซึ่งพวกเราไม่ชำนาญกันนะส่วนใหญ่ของคนยุคนี้ไม่ค่อยได้ฝึกทำสมาธิเท่าไหร่ทำสมาธิก็ไปทำมิจฉาสมาธิเคลิ่มๆขาดสติมันไม่มเข้าฌานไม่ได้จริงมีแต่เค ล, ลิมลืมเนื้อลืมตัวไป ถ้าเราทําสมาธิได้กันเข้าฌานไม่ได้มันมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราได้ตัวจิตผู้รู้ขึ้นมาเราสังเกตไหมจิตของเราเนี่ยคิดทั้งวันจิตของเราเนี่ยแอบไปคิดตลอดเวลาหลวงพ่อจะพาให้ดูจิตที่คิดนะตอนไปนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดสักครู่หนึ่งระหว่างที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยห้ามพวกเราคิดนะอย่าคิดนะเอาละจะหยุดแล้วห้ามคิดเห็นจิตมันคิดไหม ดูออกไหมว่าจิตมันคิดใครดูออกยกมือหนะ่อยจำนวนมากเลยยังไม่ไม่ดูไม่เป็นดูไม่เป็นช่างมันก่อนนะเอาใหม่เอามีวิธีที่ง่ายกว่านี้อีกเบื้องต้นถ้าเราอยากได้จิตผู้รู้เนี่ยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้นะพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้พุทโธเอาสงบพุทโธพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิต พุทโธ แ, แล้วจิตหนีไปคิดก็รู้พุทโธแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้นะจิมจะหนีไปคิดทั้งวันนะเราคอยทากรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธพุทโธพุทโธไปนะว่าจิตมันหนีไปแล้วเรารู้หรือถนัดลมหายใจเราก็รู้ลมหายใจไปรู้ลมหายใจแล้วก็รู้ทนันจิตหายใจไปจิตหนีไปเราก็รู้จิตไหลไปพเพ่งลมหายใจก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้หายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตพุทโธไปล้วก็รู้ทันจิต พุทโธพุทโธไปแล้วรู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วรูนน้พุทโธพุทโธจิตหนีไปจากพุทโธนะมันหนีไปคิดเรื่องอื่นมันไม่คิดพุทโธห น, นีไปอย่างอื่นคอยรู้ทันจิตที่หนีไปเ ร, เรื่อยๆในส่วนจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาทีจิตตั้งมั่นนี่แหละเราได้สมาธิที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาละจิตในขณะนั้นจะรู้สึกตัวขึ้นมาเราจะรู้สึกมาเราตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงเลยทุกวันนี้นะคนส่วนใหญ่เนี่ย ไม่เคยตื่นเลยตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตหลับจิตฝันตลอดเวลานะจิตไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นจิตเป็นแค่ผู้คิดผู้นึกผู้ปลุกผู้แต่งผู้หลับผู้ฝันไปวันวันหนึ่งตื่นนอนมาก็ฝันต่อแล้วคิดเรื่องนอนคิดเรื่องนี้ฟุ้งซ่านไปเรื่อยนะไม่มีความรู้สึกตัวนะล่นเราจะต้องพยายามฝึกนะทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตชาบพุโทโธเราก็พุโทโธไปแล้วก็รู้ทันจิต นะชอบรู้ลมหายใจเราก็รู้ลมหายใจแล้วก็รู้ทันจิตนะไม่ยังไม่ชอบทั้งสองอย่างนะจะนับรูกประคำจะสวดมนอะไรก็ได้สวดมนไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตก็ได้อะละฮังสัมมาสัมพุโทโธพัคะวาจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็รู้ทันะคอยรู้ทันจิตที่เวลามันหนีไปนะถ้ารู้ตรงนี้ได้บ่อยๆนีจิตเราจะเป็นผู้รู้ที่แท้จริงขึ้นมาเมื่อจิตของเราเป็นผู้รู้ที่แท้จริงเนี่ยเรียกว่าเราได้สมาธิ ที่ดีสำหรับการเจริญปัญญาแล้วเรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตมันจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่แค่สงบนะจิตจะตั้งมั่นสมาธิชนิดที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเช่นจิตตั้งมั่นอยู่นะเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะมันไปนจ่อเข้าไปที่อารมณ์จิตมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์อันเดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างนี้สงบเฉย ถ้าจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่แท้จริงที่ใช้เดินปัญญานะจิตเป็นหนึ่งะเป็นผู้ดูอารมณ์เนี่ยเป็นแสนอารมณ์ล้านอารมณ์ก็ได้อารมณ์จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตจะเป็นคนดูนะพอเราค่อยๆสังเกตค่อยๆหัดเจอถ้าเราได้จิตที่เป็นผู้รู้ฝึกเอานะฝึกเอาไม่ทราบที่นี่มีซีดีแจกหรือเปล่ามีไหมมีใช่ไหมไปฟังนะฟังหลวงพ่อครั้งเดียวเนี่ยยากที่จะรู้เรื่อง เพราะเราไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะแบบนี้ธรรมะอย่างเนี้ยครูบาอาจารย์ท่านสอนวงไหนจริงๆนะสอนนักปฏิบัติจริงๆไม่ได้มาสอนกว้างๆงั้นเราไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ฟังฟังแล้วงงอะไรจิตเป็นผู้รู้จิตเป็นผู้คิดได้จิตเป็นผู้รู้ได้ฟังแล้วไม่เข้าใจไปฟังซีดีนะฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกซีดีที่หลวงพ่อเทศนะไม่ใช่ฟังซีดีเพลงอะไรแล้วก็บอกบอกไม่เป็นผู้รู้สักิต ไปฟังซ้ำไปซ้ำมานะถึงวันหนึ่งเนี่ยจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาเขาทํากันได้ทั้งบ้านทั้งเมืองนะคนต่างชาติต่างภาษาเขาก็ทํากันได้ยังั้นพวกเราก็ต้องฝึกไปฟังซีดีซ้ำเพื่อไปแล้วก็คอยสังเกต จ, จิตของเราฟังซีดีไปแล้วจิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตหนีไปก็รู้คอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไปถ้าไม่ฟังซีดีนะก็หายใจไปก็ได้หายใจไปจิตหนีไปเรารู้จิตหนีแล้ว ร, รู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆ จิตมันจะกลับมาหาตัวเองเวลาที่จิตมันกลับมาอยู่ที่ตัวเราเองเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงเราจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมานะเราไม่เคยตื่นเลยเราตื่นแต่ร่างกายใจไม่ตื่นหรอกนะแต่เมื่อไรที่จิตใจมันตั้งมัน่นกลับมาอยู่กับตัวเองแนละ้วเราจะพบว่าความตื่นได้เกิดขึ้นแล้วจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาได้นะต่อไปเราก็มาเดินปัญญา การจะเจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วเกิดปัญญานั่งสมาธิก็ได้แต่ความสงบไม่ได้เกิดปัญญาหรือทำจิตให้ตั้งมัน่นแล้วตั้งอยู่เฉยๆนะก็ไม่เกิดปัญญาวิธีที่จะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยจะต้องโน้มน้อมจิตไปจเจริญปัญญาจิตเป็นคนดูเราต้องมาดูเห็นร่างกายมันทำงานจิตเป็นคนดูอย่างตอนนี้ทุกคนลองพยักหน้าซิลองพยักหน้าชา้ชาๆเห็นร่างกายมันพยักหน้าไหม เนี่ยคำว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เห็นด้วยตานะแค่รู้ด้วยความรู้สึกลองขยับมือสิลองขยับมือแล้วรู้สึกรู้สึกไหมมือมันขยับนะเนี่ยที่ว่ารู้สึกกายรู้สึกใจดูกายดูใจไม่ใช่ดูด้วยตานะดูด้วยความรู้สึกรู้ด้วยความรู้สึกลองยิ้มสิทุกคนยิ้มสิยิ้มให้หวานหวานยิ้มเลยเหมือนกำลังถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลองยิ้มสิยิ้มหวานเห็นร่างกายมันยิ้มไหม รู้สึกัหมร่างกายมันยิมได้ร่างกายมันพยักหน้าได้เน่ยคอยรู้สึกอย่างนี้นะร่างใจเราเป็นคนดูอยู่เราก็เห็นร่างกายมันทำอย่างโน้นร่างกายมันทำอย่างนี้ร่างกายมันกินข้าวร่างกายมันขับถ่ายร่างกายอาบน้ำร่างกายแต่งตัวร่างกายเดินไปเดินมาร่างกายนั่งร่างกายนอนไม่ค่อยดูร่างกายเรื่อยๆนะใจเราเป็นคนดูดูแล้วจะเห็นเหมือนเดียวว่าร่างกายนี้เป็นคนอื่น เราเหมือนเห็นคนอื่นมันยืนมันเดินนั่งนอนนะเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเหมือนเห็นคนอื่นหายใจออกหายใจเข้าใจเราเป็นคนดูดูไปสบายสบายในที่สุดเนี่ยมันจะรู้สึกขึ้นมาว่าร่างกายนะก็อยู่ส่วนหนึ่งใจก็อยู่ส่วนหนึ่งใกล้กับใจเนี่ยคนละอันกันอย่างขณะนี้พวกเรานั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายนั่งนะปกติเวลานั่งเราก็จะใจลอยไปคิดเรื่องอื่นเราไม่รู้สึกว่าร่างกายกําลังนั่งอยู่เนี่ยคนทั่วไปจะเป็นแบบนั้น นั่งอยู่นะก็ใจลอยไปที่อื่นไม่ได้รู้ว่ากำลังนั่งอยู่นอนอยู่ก็ไม่รู้ว่ากำลังนอนอยู่นะหมดแต่คิดเรื่องอื่นหรือเป็นจิตใจเป็นสุขก็ไม่รู้ว่าจิตใจกำลังเป็นสุขมมดแต่ไปคิดเรื่องอื่นจิตใจเป็นทุกข์ก็ไม่รู้จิตใจโลภปลดหลงก็ไม่รู้มมดแต่คิดเรื่องอื่นนะจิตใจมันหลงไปที่อื่นตลอดแต่เป็นี้ยพยายามกลับมารู้สึกรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกให้มากมกนะไม่ใช่เรื่องยากอะไร ถ้าเรารู me me be, ้สึกกายรู้สึกใจได้เราก็จะเห็นความจริงของกายของใจได้แต่ถ้าเราลืมกายถ้าเราลืมใจเราจะไปเห็นความจริงของกายของใจไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะเราลืมมันไปแล้วมีร่างกายเราก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจเมื่อลืมแล้วจะไปเห็นความจริงของกายจะไปเห็นความจริงของใจเป็นไปไม่ได้เลยปกติเราจะใจลอยรู้จักใจลอยไหมรู้จักไหมรู้จักเหมเอ๋อใจลอยรู้จักไหม เวลาใจลอยนะมีร่างกายเราก็ลืมมันมีจิตใจก็ลืมมันนะต่อไปนี้อย่าใจลอยนานนะที่เรามาหัดฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้ก็ฝึกเพื่อจะไม่ให้ใจลอยนานนะใจลอยแวบก็ใจลอยไปทำอะไรใจลอยส่วนมากก็หนีไปคิดพอเราเห็นจิตมันหนีไปคิดปุ๊บใจไม่ลอยแล้วใจมันจะกลับมาอยู่ที่ตัวเองมีร่างกายก็รู้สึกถึงร่างกายมีใจก็รู้สึกถึงใจ นี่พอเรารู้สึกกายรู้สึกใจได้แล้วรู้สึกตัวบ่อยๆรู้จักคําว่ารู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวรู้สึกบ่อยๆนะภาษาไทยมีหลายคํานะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักคํานี้ไหมให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวนี่แหละเป็นจุดตั้งต้นที่จะเจริญปัญญานะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราจะได้เรียนรู้ความจริงของตัวเราเองเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ถ้าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็เรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้ ทำสมาธิเข้าชงเข้าฌานไม่เป็นไม่เป็นไรนะแต่ว่าให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็อย่าใจลอยรู้สึกตัวไว้มีความสุขมีความทุกข์ก็อย่าใจลอยรู้สึกตัวไว้กโกรธขึ้นมาก็อย่าใจลอยไปนะรู้ว่ากําลังโกรธโกรธเป็นไหมโกรธเป็นไหมใครเคยโกรธไหมใครไม่เคยโกรธเลยในห้องนี้มีไหมไม่มีนะถ้ามีก็ผิดปกติแหละนะใครๆก็โกรธเป็นรู้จักโกรธใช่ไหม ต่อไปนี้นะพอความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่าใจกําลังโกรธคนส่วนใหญ่เวลาโกรธเนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวเองก er ําล ouais. kind of ังโกรธแต่จะไปรู้ว่าไอ้คนนี้ทำให้เราโกรธเวลาเราโกรธใครสักคนเราจะไปสนใจไอ้คนที่เราโกรธเราจะลืมตัวเราเองหรือเวลาเรารักขึ้นมานะมีราคะเรารักเวลาเรามีความรักเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใจกําลังมีความรักแต่เราจะไปดูคนที่เรารักหรือเราไปเดินช้อปปิ้งนะ ไปเห็นโทรศัพท์มือถือแบบใหม่ไอโฟนไอแพดอะไรต่ออะไรนะเห็นแล้วใจมันอยากได้ใจมันโลภเราจะไม่เห็นว่าใจกําลังโลภแต่เราจะไปเห็นในของที่เราอยากได้เราจะไปสนใจแต่ของข้างนอกที่เราอยากได้เราไม่สนใจจิตใจของเราเองต่อไปนี้ให้จิตใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวค่อยสนใจจิตใจของตัวเองบ่อยๆนะสนใจในร่างกายของเราบ่อยสนใจในจิตใจของเราบ่อยค่อยรู้สึกกายค่อยรู้สึกใจเรื่อยไป นี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาดูไปเรื่อยถึงวันหนึน่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นความจริงนะว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุร่างกายเหมือนถ้ำเหมือนโพรงเหมือนเปลือกนะเหมือนไหายเหมือนอะไรอย่างนี้นะเป็นโพรงจิตมาอยู่ข้างในร่างกายเนี่ยเป็นวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออก กินอาหารแล้วก็ขับถ่ายเนี่ยธาตุมันหมุนเวียนอยู่ทั้งวันนะเนี่ยเราจะเห็นเนละร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกเราจะเห็นนะเห็นมากเข้ามากเข้าเมื่อถอนความเห็นผิดได้รู้ความจริงแล้วร่างกายไม่ใช่เราหรอกนะจิตใจนี่ก็เหมือนกันจิตใจเดี๋ยวเราก็เห็นนะเดี๋ยวมันก็สุข wart. เดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หาย ดีชั่วคราวก็หายนะชั่วขึ้นมาโลคโกรธหลงก็ของชั่วคราวความโกรธก็ชั่วคราวนึกออกไหมไม่มีนะความโกรธนี้รันดอนไม่มีความโลภตลอดเวลาไม่มีมีแต่โกรธเป็นคราวๆโลภเป็นคราวๆนะเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปความสุขก็ชั่วคราวอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวใครเคยทุกข์นานๆบ้างมีไหมทุกข์เป็นปีๆเคยมีไหมเรายกมือให้หลวงพ่อดูซิมีไหม ใครเคยอกหักมั้งใครเคยอกหักอกหักครั้งแรกทุกนานไหมทุกที่สุดเลยเนาะอกหักครั้งแรกอกหักครั้งที่ 20, ยี่สิบเฉยๆแล้วนะอกหักบ่อยๆแล้วเฉยตอนที่อกหักนะเหมือนโรคถล่มฟ้าทลายนะโรคนี้มืดตืดตือเลยโลกไม่เป็นสีชมพูแล้วโลกนี้เป็นสีดําไปหมดแล้วนะใจเศร้าหมองนะใจเราเนี่ยอยากอยากจะเมื่อไหร่จะพ้นทุกนี้สติแล้วก็ไม่พ้นสักทีนะรู้สึกว่า ชีวิตนี้คงจะต้องอับเฉาอย่างนี้ตลอดชาติเลยผ่านไปปีหนึ่งสองปีก็หายแล้วเห็นไหม อ, อกหักก็ไม่นานหรอกอยู่ได้ไม่นานก็หายไปความทุกข์นะอยู่ไม่นานก็หายหรือบางทีคนที่เรารักตายนะพ่อแม่ตายไปนะก็ทุกข์หน่อยนะทุกข์มากหน่อยถ้าลูกตายนี่ทุกข์เยอะคนไหนเคยลูกตายบ้างในเห้องนี้มีไหมทุกข์เยอะใช่ไมลูกตายทุกข์เยอะแล้วหายไหมหาย หายตอนไหนตอนที่ไม่ได้คิดถึงลูกพอคิดถึงลูกก็ทุกข์ขึ้นมาใหม่ใช่ไหมไอ้ที่ว่าทุกข์เป็นปีๆนะจริงๆไม่ใช่หรอกทุกข์ตอนที่คิดถึงนะเพราะฉะนั้นเวลากโกรธก็โกรธตอนที่คิดถึงนะสมมติเราเจอแฟนเรานะเจอคนอารมณ์ดีเราลืมไม่ที่โกรธคนอื่นอยู่ใช่ไหมความโกรธในขณะนั้นไม่เกิดเกิดในราคางั้นทุกอย่างนะชั่วคราวนะ ใจเราเนี่ยมันวิ่งตามความคิดไปเรื่อยความรู้สึกเนี่ยเกิดตามความคิดไปเรื่อยคิดเรื่องนี้ก็โกรธขึ้นมาคิดเรื่องนี้ก็โลภขึ้นมา <c oughs> คิดเรื่องนี้สุขคิดเรื่องนี้ทุกข์ขึ้นมามันอยู่ชั่วความคิดเท่านั้นเองนะอย่างลูกเราตายทุกขั variants, ้งหลายปีเราเสียดายเราไม่อยากให้ตายลูกเราอยากอยู่นานๆเราคิดว่าเราควรจะตายก่อนลูกถ้าเราตายก่อนลูกได้เราจะสบายใจนี่พอลูกมาตายก่อนเราเนี่ยเรารับไม่ได้เราทนไม่ได้แล้วก็ทุกข์มาก เราคิดว่าเราคงทุกนานความจริงเราทุกเมื่อตอนคิดถึงเท่านั้นตอนที่เราไปคิดเรื่องอื่นเราก็ไม่ทุกหรอกนั้นความทุกเองนะเกิดชั่วคราวเราก็หายนะกิเลสอะไรไๆชั่วคราวก็หายเหมือนกันอยู่ชั่วที่คิดเอาเท่านั้นเองเนี่ยพอเรามาหาดัดดูความจริงมากเข้ามากเข้าเห็นเลยทุกอย่างเป็นของไม่เจี่ยงทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทุกอย่างสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้อย่างเราจะคิดเนี่ยจิตจะคิดก็ห้ามไม่ได้ คิดแล้วจะเกิดสุข ห, หรือเกิดทุกข์ก็สั่งไม่ได้คิดแล้วจะดี ห, Music หรือจะเกิดชั่วก็สั่งไม่ได้นะโลภโกรดหลงสั่งว่าอย่าเกิดมันก็เกิดทีละความดีสั่งให้เกิดไม่ค่อยจะเกิดอะไรเงี้ยไม่มีอะไรที่สั่งได้เลยตรงที่เห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยเรียกว่าเห็นอนิจจังตรงที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่อยู่ในอำนาจเราบังคับมันไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตานะหรือเห็นว่ากายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเราเห็นทุกข์ ถูกบีบคั้นการที่เราเห็นความจริงของร่างกายนะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นความจริงของจิตใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกนะถึงจุดหนึ่งจิตมันจะเบื่อเบื่ออะไรเบื่อกายเบื่อใจแต่เดิมเรารักกายรักใจที่สุดเลยนะเราหวงแหนร่างกายนี้ที่สุดหรือหวงแหนจิตใจนี้ที่สุดเลยนะรักใครห่หวงแหนผูกพันอย่างร้ายแรงนะยึดยึดถืออย่างร้ายแรง แต่พอเรามาเจริญปัญญาเรามาดูกายบ่อยๆมาดูใจบ่อยๆรู้สึกอยู่ในกายบ่อยๆรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆเราเริ่มเห็นความจริงร่างกายไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยนะถูกความทุกข์บีบพันอยู่ตอลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกนะนั่งแล้วทุกไหมใครรู้สึกนั่งแล้วสบายอย่างเดียวถ้านั่งอบากดูกว่านั่งแล้วทุกหรือเปล่าต้องไม่กระดุกกระดิกนะปกติเรานั่งพอเมื่อยนะเราก็ขยับไปขยับมา เราต้องขยับเปลี่ยนอิดิบาตนะแก้ทุกเองหายใจเข้าสิหายใจเข้าอย่างเดียวอย่าหายใจออกดูซิจะสุขหรือจะทุกข์ทุกข์ไหมหายใจออกสิหายใจออกอย่างเดียวอย่าหายใจเข้าสุขหรือทุกข์ลองดูทุกข์ใช่ไหมดังน้ความทุกข์นี่นะบีบคั้นเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะมันบีบคั้นจริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆเป็นสำนวนโมหานรมันทุกข์จริงๆ ถ้าเราดูของจริงในกายนะเห็นว่ามีแต่ของเป็นทุกข์ดูความจริงในจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่ว life, คราวดีก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวหรือดูจิตดูใจก็เห็นเป็นอนัตตาหมายถึงไม่อยู่ในอำนาจสั่งให้มีความสุขมันก็ไม่มีความสุขมีมาแล้วสั่งให้อยู่นานๆมันก็ไม่อยู่ความทุกข์นะเราสั่งว่าอยากเกิดมันก็เกิดเกิดแล้วอยากให้ดับเร็วๆมันก็ไม่ดับไม่มีอะไรที่สั่งได้เลยนะ สั่งว่าอยากก่าโกรธมันก็โกรธเคยไหมเคยตั้งใจจะไม่โกรธไหมแล้วโกรธไหมโกรธยิ่ยงตั้งใจว่าจะไม่โกรธคนนี้นะเสร็จแล้วก็โกรธเคยตั้งใจจะไม่รักไหมคนนี้มันหลอกเรามาทิ้งเราไปรอบหนึ่งแล้วมาจีบเราใหม่เราตั้งใจว่าจะไม่รักนะพอมันจีบ พ, พักเดียวก็รักมันอีกแล้วเนี่ยเราสั่งไม่ได้จริงนะใจเนี้ยสั่งไม่ให้โกรธมันก็โกรธสั่งไม่ให้โลภมันก็โลภสังส่งไม่ให้รักมันก็รักนะสั่งให้รักตลอด เนี่ยเป็นแฟนกันนะผู้หญิงก็คาดหวังว่าผู้ชายจะรักตลอดชีวิตในส่วนจิตเขาก็เปลี่ยนเขาก็ไม่ได้รักอย่างเดิมไม่หวือหวาอย่างเดิมหรือผู้หญิงแต่งงานไปกับผู้ชายไหมก็ไม่ได้รักสามีเหมือนตอนที่รักแฟนรู้สึกไหมความรู้สึกมันเปลี่ยนแลมันฝูกพันแน่นแฟนมากขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะมีแต่ความรักหวือหวาอย่างตอนวัยรุ่นอะไรเงี้ยไม่มีนะเนี่ยความรู้สึกของเรานะมันเปลี่ยนแล้วมันบังคับไม่ได้นะ เนี่ยเรามาดูของจริงนะดูของจริงในร่างกายร่างกายนี้มีแต่ทุกข์ดูของจริงในใจนะใจนี่มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ดูซ้ําแล้วซ้ําอีกการที่เราเห็นความจริงซ้าแล้วซ้ําอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือแล้วคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วนะ งั้นเราหน้าที่ของเรานะมาดูความจริงให้มากถ้าวันไหนดูจิตดูใจได้ให้ดูจิตดูใจไปถ้าอะไรก็จิตนี่เป็นประธานของธรรมะทั้งหลายกิเลสก็เกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตงั้นถ้าเราดูจิตได้ให้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําความสงบไหมพุทโธไปหายใจไปพอจิตใจสงบสุขแล้วเดี๋ยวก็กลับมามีแรง มาดูจิตมาดูกายได้อีกนะงั้นวันๆนะรักษาศีลห้าไว้นะแล้วก็มาฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นแบ่งเวลาไว้แต่ละวันสัก15นาที20นาทีเอาเวลา15นาที20นาทีทุกวันเนี้ยมาไหว้พระสวดมนต์แล้วทํากรรมฐานฝึกพุโทโธก็ฝึกไปฝึกพุโทโธแล้วคอยรู้ทันจิตจิตหนีไปแล้วรู้ฝึกหายใจไปหายใจไปเรื่อยนะแล้วจิตหนีไปแล้วรู้ ทำอะไรก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตบ่อยๆยจิตแจมันจะอยู่ที่ตัวเองแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงๆของเรานะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปเรื่อยๆเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานไปเรื่อยอยางใจของเราเนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลาเราเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นใจเราก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสร่างกายกระทบสัมผัสใจก็เปลี่ยนใจคิดใจก็เปลี่ยน นีนความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในจิตในใจร่างกายก็นั่งไปนานก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์เวลานอนก็ทุกข์นะถึงต้องนอนพลิกไปพลิกมาเพราะมันนอนแล้วทุกข์นี่นดูของจริงนะรู้สึกกายรู้สึกใจให้มากเลยอย่าไปสนใจคนอื่นอย่าไปสนใจสิ่งอื่นตลอดเวลาให้สนใจกายสนใจจิตใจของตอนเองบ่อยๆนะบ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้ ถ้าเราเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจแล้วต่อไปมันจะไม่ยึดกายไม่ยึดใจพอเราไม่ยึดกายเนี่ยร่างกายแก่เนี่ยใจเราไม่เดือดร้อนนะใร่างกายมันแก่เราไม่ใช่ตัวเรานี่ยไม่ใช่ของเราตีนกาขึ้นก็ไม่ตกใจนะผมงอกขึ้นก็ไม่ตกใจร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายจิตไม่หวั่นไหวเลยนะจะพลัดพลากจากคนที่รักจะเจอสิ่งที่ไม่รักเจอคนที่ชอบเจอคนที่ไม่ชอบ ใจไม่หวั่นไหวนะไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงใจเป็นอิสระต่ตอสิ่งแวดล้อมนะใจไม่ยึดไม่ถืออะไรใจสบายอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนนะโดยไม่ต้องรักษาไม่เหมือนนั่งสมาธินะทาสมาธิไปเดี๋ยวก็เสื่อมเสื่อมก็ฟุ้สร้างใหม่ต้องไปทําสมาธิใหม่แต่เดินปัญญาเนี่ยพอปัญญาแท้จริงเกิดแล้วใจไม่เปลี่ยนอีกต่อไปแล้วนะใจคงที่เลยไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงเลยนะ จะเจอสุขเจอทุกข์เจอดีเจอชั่วนะใจเสมอกันหมดเลยนะไม่มียินดีไม่มียินร้ายอะไรเกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นอิสรภาพอย่างแท้จริงนะไม่มีอะไรมาทําให้จิตใจเนี้ยกระเพิ่มหวั่นไหวได้อีกจะมีความสุขมีความสงบที่ประณีตลึกซึ้งที่สุดเลยสุขสงบอันเนี้ยเป็นสุขสงบของพระนิพพานนะสุขสงบของนิพพานใจไม่มีความอยากนะใจพ้นจากตัณหาสิ้นเฉิง มาได้ก็เพราะว่าเรามีสติรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆนะดูบ่อยๆจนมันเห็นความจริงเห็นความจริงแล้วมันไม่ยึดถือไม่ยึดถือแล้วตาไปอะไรเกิดขึ้นในกายก็ไม่หวั่นไหวอะไรเกิดขึ้นในใจก็ไม่หวั่นไหวนะเพราะไม่ได้ยึดถือมันนะอย่างเราเห็นรถชนกันใชนะเราหวั่นไหวไหมรถชนกันรถคนอื่นชนไม่หวั่นไหวถ้ารถเราชนแล้วหวั่นไหวใช่ไหมทำนะไมหวั่นไหวก็มันรถของเราเนี่ย เห็นคนอื่นตายอย่างเป็นหมออยู่โรงพยาบาลนะเห็นคนตายเรื่อยๆนะบางโรงพยาบาลมีคนตายทุกวันเลยบางจังหวัดเนี่ยมีคนเป็นเอตสตายทุกวันนะวัดรายสองลายมีทุกวันหมอเห็นแล้วเฉยๆเพราะมันไม่ใช่ญาติเราถ้ามันเป็นญาติเราก็เราเขาวันไหวไหเพราะงั้นจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เนี่ยอยู่ที่ยึดหรือไม่ยึดนะจะยึดหรือไม่ยึดก็อยู่ที่ว่ารู้ความจริงหรือไม่รู้ถ้ารู้ความจริงแล้วจะไม่ยึด งั้เรามารู้ความจริงของกายของใจให้มากนะถ้ากายนี้ใจนี้ยังไม่ยึดนะจะไม่ยึดอะไรในโลกอีกแล้วเพราะอะไรเรารักตัวเองที่สุดกระทั่งตัวเองยังไม่ยึดมันจะไปยึดอะไรไม่จะไม่ยึดอีกงั้นการปฏิบัตินะตัดตรงเข้ามาเรียนรู้เข้ามาให้ถึงกายถึงใจตัวเองหมดความยึดถือกายยึดถือใจได้เราจะเป็นอิสระจากโลกแล้วจะไม่ยึดอะไรอีกเลยในโลกไม่ต้องไปดูของข้างนอกไม่ดูผู้หญิงคนนี้ดูไปเรื่อยแล้วเราก็ไม่ยึด ดูนานๆเราเห็นนุ้มจริงๆน่ะโสกปรกอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆน่ากเกลียดทําเป็นแต่งตัวสวยๆวยนะจริงๆในร่างกายเต็มไปด้วยของโสกปรกมีของโโครกไหลออกมาตลอดเวลาเนี่ยพอไปเห็นเราไม่ยึดเขาแต่มันยังยึดตัวเองอยู่แต่ถ้าเราดูตัวเองเราไม่ยึดตัวเองมันจะไม่ยึดคนอื่นไปด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยพยายามโอปันยะโกเคยได้ยินคํานี้ไหมโอปันยะโกน้อมเข้ามาหาตัวเองน้อมเข้ามาเรียนรู้ตัวเอง พอน้องเข้ามาเรียนรู้ตัวเองแล้วมันก็ไปถึงคําว่าปัจจตังเวทิตัปโววินยูหิกสวดบ้างไหมสวดมนต์ไหมบทธรรมคุณเห็นไหมปัจจตังเวทิตัปโววินยูหิวินยูชนรู้ด้วยตนเองรู้อะไรรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกเป็นตัวทุกข์นะีถ้ารู้อย่างนี้นะใจก็ไม่ยึดถือไปฝึกเอานะถ้ายัางฟังรอบเดียวไม่เข้าใจไปฟังซีดี ฟังนะขอรองให้ฟังฟังแล้วฟังอีกแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นกล้ารับรองเลยนะซีดีหลวงพ่อเนี่ยถ้าตั้งใจฟังไปเรื่อยฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่จําเป็นนะฟังไปเรื่อยๆแล้วชีวิตจะเปลี่ยนนะคนอื่นเขาเปลี่ยนมาได้ตั้งเยอะแยะแล้วเต็มบ้านเต็มเมืองเดี๋ยวนี้นั่งรถไปไหนนะหรือจะมานั่งเครื่องบินไปตามสนามบินจะเข้าห้องน้ําตามปั๊มเห็นหน้ายังรู้เลยนะว่าฟัง C ีดีคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อหน้าตามันผ่งใส มันไม่เหมือนคนธรรมดาหรอกมันผิดมนุษย์นะไม่เหมือนคนปกติหรอกจะสดใสนะจะรู้เนื้อรู้ตัวคนในโลกนี้หน้าดำค่ํำเครียดนี่จะจมอยู่ในกองทุกกองกิเลสนะรหัสภาวนานาใจมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันผ่องใสขึ้นมาเห็นกายเห็นใจมันทำงานไปนะแล้วมันก็ลดละความยึดถือเป็นลำดับลาดับนะให้โอกาสแก่ชีวิตตัวเองบ้าง เราทำเพื่อคนอื่นเพื่อสิ่งอื่นมามากแล้วเราไปนี้ทำเพื่อยกระดับใจของเราให้คนทุกบ้างนะอดทนนะฟังซีดีไปแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็จะรู้ความจริงทุกวันนี้มีคนมาขอบคุณหลวงพ่ออยู่ทุกวันนะนะว่าธรรมะที่หลวงพ่อเอามาเปิดเผยนะทำให้ชีวิตเขาทุกน้อยลงไปเยอะเลยนะธรรมะมีอยู่แล้วธรรมะของพุทธเจ้านะแต่คนไม่ค่อยเอามาบอกกัน อย่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านก็คารวะเรียนไม่ได้หงวงพ่อว่าเรียนได้คารวะเรียนได้ตั้งเยอะแยะแล้วตอนเนี้ยอแล้ววันนี้สมควรแก่เวลานะให้คนที่จะส่งกันบ้านว่ามาหนูว่าหนูดีขึ้นค่ะหลวงพ่อถูกขันมันแยกได้ค่ะแล้วก็โลกห่างออกก็ ข, <ไป S 2> ขันขันมันแยกโลกมันก็หา่างค่ะพอโลกคืออะไรโลกคือตัวขันนั่นแหละ พระเจ้า<บ>ยังบอกนะอะไรนะคำว่าโลกคืออะไรขันห้านั่นแหละโลกมีกอะไรต้องปรับปรุงอีกไหมคะหลวงพ่ออย่ากใจร้อนอยางใจร้อนอยู่อยากได้ผลช่วงช่วงนี้ค่ะขยันทำเหตุนะแล้วผลมันมาเองเ<ช>หมือนขยันทำงานนะเราเลื่อนเงินเดือนเอง ไปตามเหตุก่อนใช่ไหมคะอะไรนะไปไปตามเหตุก่อนใช่ไหมคะทำเหตุนะทำเหตุให้มากแล้วผลมันมาเองอ๋อค่ะค่ะอ่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณหลวงพ่ออยู่ดีค่ะหนูว่าหนูชีวิตหนูเปลี่ยนดีเปลี่ยนขึ้นมากเลยใช่ต้องเปลี่ยนเร็วด้วยคฟังหลวงพ่อรู้เรื่องนะะกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลยเจ็ดเดือนเรียนจกหลวงปู่ดูลยเจ็ดเดือนหลวงปู่ดูลรับรองแล้วว่าเข้าใจที่ท่านสอนละ ช่วยตัวเองได้ใช่าย่างนี้งั้นพวกเราหน้าตามไม่ได้โง่กว่าหลวงพ่อหรอกแต่ละคนนะบางคนดูไร้กว่าหลวงพ่ออีกงั้นขยันภาวนาดูของจริงให้มากมากะต่อไปขญญาย้าส่งกันบ้านครับช่วงนี้จะเห็นความคิดเกิดดับบ่อยครับเห็นความหลงเป็ น, นช่วงๆครับโทสะแทร้ไหมมีบ้างนะครับมีความยินลาเล็ก น, นะ<ๆ> ยินไล่แทรกเราก็รู้เอานะพอมาถึงขั้นนี้ไม่มีอะไรแล้วเราเห็นสภาวะได้แล้วเราเห็นสภาวะเกิดดับได้แล้วเราก็เห็นด้วยความเป็นกลางแล้วเห็นบ่อยๆนะเห็นบ่อยๆใจมันยังค่อนข้างไม่เป็นกลางโทสะมันจะแทรกแค่เรารู้เอานะราคาไม่ค่อยแทรกโทสะแทรกเก่งกว่าครับ คิดต้องถึงฐานน ะ, ะถึงฐา น, ฐานการนมัสการพระเจ้า ค, ค่ะยมปฏิบัติโดยเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วช่วงหนึ่งก็คือทำอิรียบุตสีดูกายดูใจพอระยะหนึ่งก็เห็นแต่รักค่ะเห็นการเกิดการดับแล้วก็เห็นสิ่งที่มันปรุงแต่งจิตมไม่ว่าจะเป็นทางตาเห็นแล้วจิตเปลี่ยน เห็นทางสัมผัสจิตก็เปลี่ยนก็เห็นสักพักหนึ่งแล้วก็มันจะมีวันหนึ่งมันจิตมันรวมยังไงไม่รู้นะคะมันก็จะเป็นเย็นเย็นบเบาๆไปสักพักหนึ่งแต่ก็ยังคงทำเหมือนเดิมแต่ทุกวันนี้จะเป็นลักษณะเวลาเรานั่งสมาธิมันจะเป็นยิบยักยิบยักนะคะแต่แล้วก็ตัวเองก็ใช้วิธีคือ พยายามไม่ส่งจิตออกนอกก็คือดูอิเลียบุตรสของตัวเองทุกขณะทุกเวลาค่ะถ้าเห็นมันออกก็ก็รู้รู้แล้วก็เอามาอยู่ที่กายที่ใจเจ้าค่ะดีขอทราบแนวทางนะคะก็ทําทอย่างนี้ก็ดีแล้วน ะ, ะต้องระวังอันหนึ่งตัวรู้เนี่ยยังมีสองชนิดน ะ, ะตัวรู้อันหนึ่งเนี่ยเกิดจากเป็นธรรมชาติเลยจิตเคลื่อนแล้วเรารู้เราจะได้ตัวรู้ที่ถูกจิตจะโปร่งโล่งเบาสบายรู้ตื่นเบิกบาน แต่บางทีเราจำสภาวะของตัวรู้ได้เราจงใจทำตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้เนี่ยจะแข็งแข็งนะแข็งแข็งทื่อๆืนิ่งๆถ้ามีตัวรู้ทื่อๆเนี่ยแสดงว่าแกล้งทำแล้วต้องให้เป็นธรรมชาติฝึกให้ตัวรู้เป็นธรรมชาติไม่บังคับมันจิตถึงฐานไหมตอนนี้ถึงค่ะแน่ใจไหมเห็นตัวนึ่งนิ่งอยู่ไหมเห็นค่ะออ มันนิ่งเกินจริงช่วงเมื่อกี้จะตื่นเต้นแต่ไม่ใช่ได้ล้วเม่อกี้ใช้ไม่ได้คมื่อกี้ตื่นเต้นเมื่อกี้หยุดเต้นไม่เป็นไรเมื่อกี้ไปกดมันเพราะงั้นตรงนั้นไม่ใช่ตัวรู้และเป็นตัวที่กระทําแล้วไม่ใช่คนรู้แต่เป็นคนกระทํำกระทําอะไรกระทาการกดตัวเองงั้นเราพยายามฝึกให้จิตมันเป็นตัวรู้ไม่ใช่ตัวกระทํานะครับ แล้วดูอะไรก็ทําก็เห็นกายมันก็ทําเห็นใจมันก็ทํานะจิตมันเป็นคนดูอ่ะต่อไปหนูฝึกได้ดีนะใช้ได้เชียวล่ะดีเราคนแรกก็ใช้ได้แล้วล่ะขันผนก็แยกหมดแล้วอ่ะข้ากลับมาสักการหลวงพ่อคะ่ะก็วันนี้ตั้งใจมาถวายการปฏิบัติอะคะ่ะก็คือแทนคําขอพระคุณหลวงพ่อเออนะหลวงพ่อชอบมากเลยถมายการปฏิบัติ ก็ช่วงที่ผ่านมาก็เห็นทิฏฐิเยอะขึ้นนะค ะ, ะก็รู้สึกว่าก็สิ่งทางลานเป็นไปตามเหตุรู้สึกรู้สึกตรงมากขึ้นนะคะเราเคยรู้สึกนี้แม่เนี่ยบาทีเรามีเซลล์ขึ้นมานะแต่เรารู้แล้วเราอ า, ายเลยรู้สึกไหมกิเลสตัวอื่นเราจะไม่อ า, ายเท่าตัวนี้แปลกเป็นทุกคนอะ่ะนะยิ่งพวกปัญญาชนพวกประสบความสําเร็จพวกอะไรเนี้ยตัวนี้มันจะเด่นดูง่ายไม่ยากหรอก แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูนะเมื่อเราหัดดูกิเลสอะไรเกิดขึ้หนหรู้ไปเรืยนะใช้ได้ที่ฝืก อ, อยู่ก็ขอตาขอพอรจากหลวงพ่อแล้วก็คือกําลังจะเดินทางนะคะ่ะอีกสองเดือนค่ะก็จะขอขอพรแล้วก็ขอคำเต <พอ S 1> ือนแบบขอพรเหรอพรหลวงพ่อไม่ค่อยเหมือนใครนะหนูมีสติไว้เรื่อยเรเรามีความดีมีสติเนี่ย ถ้ามีสติและศีลสมาธิปัญญามันก็เกิดถ้าขาดสติตัวเดียวนะศีลสมาธิปัญญาหายหมดเลยแล้วเรามีสติบ่อยๆนะพอเรามีคุณงามความดีเกิดขึ้นนี่คือพรในชีวิตของเราที่ไม่ต้องขอใครนะเจ้าคุณนอท่านรู้จักเจ้าคุณนอไหมเคยได้ยินชื่อไหมพญานารรัตรราชมณิทบวชอยู่วัดเทพศินเป็นองค์มนตรีสมัยการที่เจนะแต่ว่าตั้งเฉยๆท่านไม่รับตําแหน่ง ท่านบอกว่าทําดีดีกว่าขอพรดังนั้นหนูมีพรในตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องขอหลวงพ่อหรอกไปปฏิบัติเอาเมื่อมีศีลมีธรรมนะอยู่ที่ไหนมันก็ดีทุกที่แล้วอยู่ที่ไหนที่ไ่นก็สัปปะยะไปหมดเลยกลับธรรมสถารครับหลวงพ่อือมผมเพิ่งเริ่มปฏิบัติมาได้ประมาณหนึ่งปีครับเพม่เคยส่งกันบ้านเลยครับ ส่งกันบ้านครั้งแรกครับเห็นกิเลสบ้างยังเห็นกิเลสบ่อยไหมเห็นบ่อยครับเห อ, อเห็นบ่อยใช้ได้แล้วเห็นไหมกิเลสเราไม่ได้เชิญมันมาได้เองครับเนี่ยดูไปเรื่ยนะเห็นท<ด>ุกอย่างมันเป็นไปเองบังคับมันไม่ได้นะดูไปเรื่ยมีแต่ของบังคับไม่ได้เห็นอนัตตารเราเป็พวกปัญญากล้านะก็ดูมันจะเห็นอนัตตาได้ชัดผมยังขาดความตอ่อเนื่องครับแล้วก็ ดีอย่นี้มีปัญญารู้ว่าไม่ต่อเนื่องครับแล้วก็ยังเผลอคิดบ่อยครับแล้วก็ลืมดูกายตัวเองครับเครับจะพยายามตั้งใจนะทำเอานะแล้วชีวิตเราจะดีครับมันมีความสุขมหาศาลเลยนะความสุขจากการที่เราฝึกเจริญสติเจริญปัญญาเนะมันประณีตกว่า ส, สมาธินะความสุขของสมาธินะหลวงุู่เทศต์บอกว่าเหมือนความสุข ข, ของเด็ก เหมือนเด็กไปเล่นดินเล่นทรายมีความสุขนะเนี่ความสุขแบบทำสมาธิความสุขของปัญญาเนี่ยเหมือนความสุขของผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเมะนึกย้อนไปเนีมันอี่มโมอิ่มใจนะงั้นเราพยายามดูกายพยายามดูใจดูมันทํางานบ่อยๆไม่มีตัวเราเลยไม่มีอะไรที่บังคับได้ตัวอย่างนี้เรื่อยๆไปนะเมื่ใจมันจะอิ่มนะถึงเวลามันจะอิ่มโมหิมใจขึ้นมาครับการรักษาการ ตามนมิตการพ่อจะแบบโอ้ภาวนาใช้ได้คือเริ่มดูลงหายใจแต่จริงๆก็ไม่เห็นเห็นแค่ครั้งสองครั้งจะเป็นเหความคิดบ้ากว่าค่ะก็แต่จิตไม่เคยถึงฐานสักทีค่ะเห็นเลยรนะจิตไม่เคยถึงฐานสักทีค่ะคือแค่เห็นเห็นเฉยๆค่ะอย่าไปบังคับให้ถึงฐานจิตเคลื่อนไปแล้วรู้แค่นั้นพอละเขาถึงของเขาเองถ้าจงใจจะให้ถึงฐานนะมันจะเป็นตัวรู้ที่ผิดอย่างที่หลวงพ่อบอก ตัวรู้ที่แน่นแน่นหนักหนักไม่ใช่ของจริงะนะทำไมจะไม่ถึงถึงถึงเแต่เห็นความคิดบ่อยนะคะ <c oughs> แต่กายนี่ไม่ค่อยเห็นอย่างเมื่อกี้ที่หลวงพ่อให้ยิม้มแต่ไม่เห็นทิ้มค่ะแต่เห็นความสุขที่เกิดขึ้นใช้ได้ <c oughs> แสดงว่าถนัดดูจิตถนัดดูจิตดูจิตไปเลยนะถ้าถนัดดูกายก็ดูกายถนัดดูจิตก็ดูจิตสังเกตไหมว่าเราเปลี่ยนไปแล้วเจ้าค่ะนะ เนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านะเปลี่ยนคนได้จริงๆพวกเดลทีนนะเขาบอกกันว่าอย่าไปเฝ้าอย่าไปคุยกับสมณะโคดมนะพระสมณะโคดมคือพระพุทธเจ้าเราเนี่ยมีมนเปลี่ยนใจใช่ไหมเนี่ยฟังธรรมะที่หลวงพ่อเทศน์นะใจถูกเปลี่ยนไปแล้วะเปลี่ยนจากตัวร้ายมาเป็นตัวดีได้นะตัวทุกข์มาเป็นตัวสุขในภาวนาอีกทําถูกเราละ ภาวนาได้ดีเชิญละนะเห็นจิตได้ประณีตดีใช้ได้อย่าจงใจนะเขาเป็นเองอย่ารีบร้อนนะถ้ารีบร้อนเสียเลยค่ะกักใช่ไหมกักนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันคนนี้ก็เคยปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียนแวพองยุบแล้วก็แนวกุชรนจะอยากรู้ว่าจลิตของหนูเป็นแนวไหนควรจะยึดแนวไหนคือแนวไหนแนวไหนนะมันไม่แค่เปลือก หลักสำคัญจิตเราถูกไหมถ้าจิตเราตั้งมั่นมีสตินะแนวไหนก็ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นไม่มีสติแนวไหนก็ผิดหมดเลยนี่เปลืออมนไม่สำคัญหรอกสำคัญที่เนื้อในของเราตอนนี้เรามีสติแล้วรู้สึกไหมจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วรู้สึกไหมความสำคัญอยู่ที่ตัวนี้นะครับนี่เอ็กเปลือกนะเราก็เป็นแค่เครื่องอยู่ อยู่กับพุทธโธแล้วก็รู้สึกตัวไปบ่อยๆรู้สึกใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้บ่อยก็ดูกับพุทธโธไปรู้ลมหายใจแล้วเห็นร่างกายทํางานใจเป็นคนดูเห็นจิตใจทํางานใจเป็นคนดูก็ทําอย่างใช้ใช้ลมหายใจไปนะถ้าหนักอะไรใช้อนั้นหละอะไรที่ทําให้รู้บ่อยเห็นบ่อยเอานั้นแหลนะไม่สําคัญหรอกกรรมฐานนะกรรมฐานอะไรก็ได้แต่และคน แล้วแต่จริตนิสัยแต่ละคนแล้วจริตของเป็นอะไรคะหลวงพ่ภาวนาเป็นแล้วไปดูต่อค่ะขันเกินมันก็แยกหมดแล้วดูออกไหมยค่ะแยกขันเป็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะเมื่อสามสิบปีก่อนนะหลวงพ่อเที่ยวตะเวนที่บอกหลวงพ่อตะเวนวัดทางอีสานเหนือเนี่ยตะเวนจะเยอะเลยอยีสานใต้ก็ไปภาคเหนือก็ไปะตะเวนไปตะเวนไปแล้วก็พบว่า ไม่ค่อยมีคนที่รู้สึกตัวแค่รู้สึกตัวนะยังไม่ค่อยมีเลยวัดหนึ่งวัดหนึ่งนะมีคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งยังหายากเลยมีแต่คนนั่งสมาธิเคล่อนเคลื่อส่วนใหญ่แล้วหลวงพ่อก็สอนเพื่อนไว้กลุ่มหนึ่งนะครับช่ารถตู้เข้าวัดกลุ่มอาจารย์บางองค์จิตท่านไหวนะพอเข้าไปหาท่านท่านหันกลับมาเลยโอ้ให้พวกเอ็เมไปรวมกันมาได้เยอะขนาด น, นี้นั่นแค่รู้สึกตัวนะ แค่สมัยก่อนสักสามสีปีก่อนนะแค่คนรู้สึกตัวยังไม่ค่อยมีเลยนะมาถึงวันนี้มันเลยรู้สึกตัวละมันถึงขั้นแยกขันได้แล้วหลวงตามมหาบัวบอกว่าถ้าแยกทาตุแยกขันไม่เป็นอย่ามาคุยวัดเราเรื่องเดินปัญญานะอนะไรเงี้ะมาถึงวันนี้ฆราวาสแยกธาตุแยกขันได้นี่เยอะแยะไปหมดเลยนะถ้าแยกธาตุแยกขันได้ต่อไปไม่เห็นแต่ละธาตุแต่ละขันแสดงใจลักนะเห็นซ้าแล้วซ้าอีกมรคนิพพานมันจะหนีไปไหนนะ น, นม่หนีไม่พ้นหรอกถึงวันหนึ่งเรา ก, ก็ต้องมาไปฝึกต่อไม่ได้มีปัญหาสั ก, กนิดเลยหลวงพ่อครับผมขอยกโอกาสให้คุณยายได้ไหมครับได้แล้ท่านยายอยู่ไหนอ่ะอยู่ใกล้ๆนี่ครับท่านฟังหลวงพ่อมาสองปีแล้วครับแต่ยังไม่เคยส่งการบ้านเลยครับอ๋อคุณราชการน้องพ่ออือว่างไงโยมยายก่อ <c oughs> ฟังซีดีของหลว ง, ลงพ่อมาเป็นสองปีแล้วคะ่ะแล้วกับปฏิบัติตามมาได้เท่าไหร่นะมีแต่เวลานั่งหรือเดินหรืออยู่สภาวะใดก็ะดษก็จิตไม่นิ่งสถทีค่ะไม่ไม่ต้องฝึกให้นิ่งนะเรารู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปแล้วก็รู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่ต้องนิ่งจ้ ลักก็ปีแวบไปแวบมาหลักการนั่นแหละดีสติก็รู้ทันบ่อยค่ะนั่นแหละเราจเจริญขึ้นแล้วล่ะอย่างนี้ใส่ได้ไห ม, มคะโอ้ยอย่างนี้เราสี่อดีใช้ได้เลยล่ะจ้าเรายมใหญ่เห็นไหมว่าใจเราไม่เหมือนเดิมใจมันโปร่งขึ้นนะจใจมันโปร่งโล่งเบาสบายนะอะไรเกิดขึ้นนะใจไม่ค่อยจะหวั่นไหวเลยสมมติว่าเราไม่สบายจะตายนะ เราก็ดูร่างกายมันตายใจเราเป็นคนดูไม่เกี่ยวกันเราจะไม่หวั่นไหวนะให้หมอเขารักษาร่างกายในใจเราเราดูแลมีสติคุ้มกลองที่ยายทำเก่งชบสติเกิดบ่อยดีสาธุครับสาธุกับยายสิน้นมัสากนยานครับหลวงพ่อครับ ก็ในช่วงครั้งครั้งที่แล้วที่ไปกราบของพ่อที่ที่วัดก็พยายามปฏิบัติมาแต่ว่าก็มีบางช่วงที่จอดยานลงแต่ก็ยังมีกลุ่มเพื่อนกันอะไรอามิตรเขา ก, ก็ก็ได้กําลังใจกันขึ้นมานะก็มีเมื่อวานก็อะไรอยาียมิดเขาก็ทักไว้ว่าผมจะติดประคองเ พ, เพราะตัวเองจะเป็นคนอยากที่ก็จะติดอยากดีนะครับเในประคองเขาก็บอกว่าติดตรง พอพบนี้ก็เลยประคองไว้พอได้ยินก็เลยคลายลงลลก็ประคองเกิดจากโรคทั้งนั้นนหละครับน ะ, นะก็ตอนนี้ก็กเพิ่งเพิ่งเริ่มเห็นชัดขึ้นหมายว่าเริ่มรู้สึกตัวแล้วก็ปล่อยวางมัได้มากขึ้นเพราะแต่ก่อ น, นพอพอเห็นแล้วก็จะสงสัยตามทันทีเลยลเจะลงไปเรื่อยๆครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาคิดค้นอะไรหรอกไอ้จิตมันสงสัยแล้วไปหาคําตอบนะเสียเวลา เราแค่เห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นแค่นี้ก็พอนะครับเราไม่ได้ภานาเอะไรมากหรอกภาวนาให้เห็นว่าอะไรเกิดแล้ว น, นั้นก็ดับในทรัพย์ผมจะต้องดูอะไรที่ดูถูกแล้วเนี่ยเพราะเราประคองอยู่นะต้นตอของการประคองนะคือตัวราคาตัวตัณหานี่แหละนะการประคองก็เป็นภพของนักปฏิบัติตัณหาเป็นคนสร้างภพถ้าเราไปเห็นการประคองเราอยากให้หายนะไม่หาย แต่ถ้าเรารู้ทันตัณหาที่อยู่เบื้องหลังความอยากที่อยู่เบื้องหลังนะมันดับปุ๊บการประคองมันก็ค่อยลดลงลดลงถ้าเรารู้ที่ต้นต่อของมันถูกแล้วแล้วอย่างของผมเนี่ยจะมีความรู้สึกถึงความร้อนตรงหน้าอกบ้างความแน่นหน้าอกอะไรคือใช้ดูเทียบเคียงได้นะครับความรู้สึกรู้แล้ ว, ลวพรรู้ทันจิตมันไม่ใช่จิตเรานะอย่างมันแน่นขึ้นมาใจไม่ชอบรู้ทัน ร้อนขึ้นมาสงสัยว่าอะไรนะรู้ทันรู้ทันจิตของเราไปาอย่าไปดักดูนะตัวเนี้ยอย่าช<ะ>่องให้มันมันขึ้นขึ้นขึ้นแช่างมันเราจะไปรอดูสาธิบัติบูชาที่สาธุชอบมาก<อ>ปฏปิฏบัติ<า>บูชาหนูพ่อนะ่ะตอนออกเรียนจากครูบาอาจารย์สมัยก่อนรับราชการนะเพิ่งรับราชการ4ีสาเองอ่ะ เงินเดินก็น้อยนะเข้าหาครูบาอาจารย์นภาวนาโอ้ยท่านปรับรื้มเศรษฐีเอาอะไรต่ออะไรไปให้ท่านนะท่านก็เฉยๆนะงั้นภาวนาไม่แหลมเป็นเครื่องบูชาครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดเลยปฏิบัติไปค่ะก ร, กราบในมัสการมลวพ่อค่ะอ่าก็ทุกวันนี้ได้น้อมนำพระธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะก็ ดูกายดูใจดูสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นภายในกายภายในใจแต่ว่าบางวันก็มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความตั้งมั่นจิตใจค่อนข้างมีกำลังอ่อนที่จะดูสภาวะธรรมอยากจะขอความทุนาเร า, นะเราสังเกตใจไปนะกิเลสตัวไหนเกิดบ่อยแล้วก็คอยรู้บ่อยๆนะถ้าเรารู้ทันสภาวะได้บ่อยนะใจมันจะพัฒนาเร็วดูสภาวะให้บ่อยๆ อย่างใจเรายังมีโทสะแทรกได้ง่ายดูออกไหมมันหงุดหงิหดอะไรตอนอะไรเงี้ยมันขึ้นมาได้บ่อยๆแตเพราะมันหงุดหงิดเราก็รู้ทันนะหรือมันสุกมันทุกข์มันดีมันช่วเรารู้ไปเรื่อยๆต่อไปปัญญาเกิดปัญญาเกิดก็คือเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปไม่ได้ฝึกว่าจะต้องดีตลอดสุขตลอดสงบตลอดเราไม่ได้ฝึกเอาดีเอาสุขเอาสงบนะฝึกให้เห็นความจริงเห็นไ้มว่าทุกอย่างชั่วคราว แต่ว่าใจยังไม่ยอมรับแต่ยังอยากให้อของดีเนี่ยอยู่นานๆของชั่วๆไม่อยากให้เกิดใช่ไมดูตัวนี้ออกไหมงั้นเราเห็นสภาวะแล้วแต่ใจยังไม่เป็นกลางต่อสภาวะเท่านั้นเองให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนะแล้วมันจะเป็นกลางขึ้นมาเองเห็นสภาวะตันๆก็จะคลายเออเห็นสภาวะนะแล้วใจยินดียินร้ายรู้ทันมันนะมันจะค่อยคลายออกอืค่ะ ทคนสักคนน่พ่อนาใช้ได้ทุกคนเลยนะที่ส่งกันบ้านนะแล้วมัสัการหลวงพ่อตอนนี้ตอนนี้เป็นตื่นเต้นกันใจเต้นทุกๆอาจจะเกิดดีอยาให้มันหยุดนะให้มันเต้นไว้อยาให้หยุดนะไม่ไม่หยุดคัะก็เห็นเห็นดูก่อนอื่นก็ต้องขอขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อค่ะขอถวายการปฏิบัติบิชา กับหลวงพ่อคะ่ะเพราะว่าไอ้เมื่อก่อนวะนะไปกราบหลวงพ่อที่ที่วัดใส่เข้าคอนหลวงพ่อก็เลยให้การบ้านมาว่าให้ดูกายปรากฏว่ามาดูกายแล้วเห็นชัดเจนขึ้นค่ะแต่ก่อนนี้ปฏิบัติมันอึดอัดใจมันอึดอัดแน่นแต่เดยนี้แทบจะจับไม่เห็นใจใจตรวหน่เห็นบางเบาทีนี้เวลามีเวทนามากๆ แยกชัดเจนเลยค่ะแต่ว่ามันมันไม่มไม่นานมันแค่ขณะดสองขนะดแต่เห็นชัดเจนมากๆค่ะถูกแล้วเวลาที่ปัญญามันเกิดจรงนะิงๆแล้วสั้นๆไม่นานหรอกไม่นานะจะ<ต>เกิ ด, ดเป็นแวบๆ เ, เวลากระทั่งอริยมรักนะเวลารอาริยมรักเกิดนะเกิดแวบเดียวนะไม่มีกระทั่งสองแวบเนะนะลยเพราะฉะนั้นในปัจจุบั น, นจริงๆสั้นนิดเดียวการที่เราเห็นได้เป็นขณะขณะขณะไปดีที่สุดแล้วล่ะส่วน จะปัญญาจะเกิดเนี่ยไม่ได้เกิดบ่อยนา น, น, นเกิดทีหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาบางทีพอเ ห, เห็นเห็นเห็นแบบนี้แล้วทีถ้าไม่เห็นก็จะเป็นใจใจมันมันนิ่ง่ปกติบางเบาใจนึงดูใจหนึ่งลมหายใจดูลมหายใจมันเบาหมายควาว่าไงคะใจบาก็รู้ว่าเบาเบาแล้วถ้าชอบหรือว่าชอบเบาแล้วสงสัยว่าจะทํำยังไงอีกรู้ว่าสงสัย มันเบาไปแล้วเราก็ค่อยรู้ทันจิตต่ อ, อคือพอเราดูกายเนี่ยนะมันจะทําให้มีพลังกลับมาเห็นจิตนะพอเราเห็นจิตแล้วเราก็ดูต่อไปจะเห็นมีแต่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยมเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะดูจิตก็จะเห็นธรรมหเห็นความจริงการบังคับดูดูอย่างนี้เลยดูกายต่อไปตั้งชีวิตเลยนะแล้วพอพลังมันมากขึ้นไปมันเห็นจิตเอง ยอมทำได้ดีนะใช้ได้เ่ละมีใครก็บอกมั้งไหมว่าหน้าตาผ่องใสกว่าแต่ก่อนอะ่ะมีค่ะเพราะว่าไ ป, ไปจนวันได้ถามลูกพ อ, พอออกมานี่เพื่อนจะทักเอ๊ะใช่ใช่พี่หรือเปล่าทำไมพี่สวยขึ้นสาวขึ้นวันใช่ถ้าฟังสิอันนี้เรื่องจริง ก, ก็ได้มาถามลูกสาวเอ๊ะ ท่านเปลี่ยนไปไ ห, หน้าจารย์ยี่ิคนทักช่านอายเป็นอะไรครั<笑><笑>ลูกก็บอกว่าเปลี่ยนอยู่ <N> นี่แหละเปลี่ยนจริงๆนะคือพอใจเราเปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยนนะบางคนนะใจหมอมองหน้าก็หมอมนะพอใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหน้าตาผ่องใสนะสดใสามากเลยงั้นเคยมีคนเขาให้สัมภาษณ์นิตยสารเกี่ยวกับความงามนะเขามีสิบคน มีอยู่คนหนึ่งบอกว่าที่เขางามเนี่ยเขาเข้าฟังซีดีหลวงพ่อประโมทนะเนี่ยอาศัยซีดีทำให้สวยกว่าเก่านี่ถ้าเราได้ยินอย่างนี้น่กเอาซีดีมาถูหน้าอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะหน้าเหี่ยวหมดนลนะฟังไปแล้วก็รู้ไปนะหน้าตาจะเปลี่ยนของใสนะครับน้ำมัสการครับหลวงพ่อส่องเมื่อสเดือนที่แล้วนะครับหลวงพ่อบอกว่าจิตมันฟาดโลกลักโลกอะไรอย่างนี้ครับ ผมก็เลยพยายามกลับไปคุบโลกดูมันก็ยังผลักอยู่ครับเท่าที่ผมเห็นไม่ทราบว่าเห็นดูดูออกแม้ว่ามันจะผลักถ้าดูออกขาใช้ได้แล้วนะก็ดูไปแค่นั้นไม่ต้องทำอะไรแก้ไม่ไม่ต้องแก้แต่การผักมันไม่ได้ปิดกั้นมารผลใช่รับเพราะผมเป็นห่วงเพราะผมรู้ว่ามันจะผลักการผลักเนี่ยมันก็คือความปรุงแต่งปรุงดีอยากอะ่าผลักให้ของไม่ดีออกเป็นความปรุงดีนะก็จะนําไปสู่ภพภูมิที่ดี ไม่เกี่ยวกับมรคนหรอกลละนะถ้าพนความปรูแต่งไปเรียเห็นมรคลแต่อาสัยความปรงแต่งเนี่ยแล้วเรามาเรียนรู้มันเห็นทุกอย่างมันปรุงแต่งนะทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทุกอย่างบังคับไม่ได้มั น, นึงมันวางของปรุงแต่งไม่เป็นเกิดมรคผนะฟังซีดีหลวงพ่อจะมีหลวงพ่อบอกว่าถ้าใหม่ๆก็จะต้องประคองเก่าๆแล้วก็จะต้องขนาบผมขอขอโอกาสหลวงพ่อขนาบ เอาแบบตรงๆเลยครับว่าผมติดขัดตรงไหนไหมครับไม่ไม่ติดไม่ขัดเลยหรอกนะช่วงนี้ไม่ได้ติดขัดช่วงนี้อของที่เคยติดก็เริ่มหลุดแล้วล่ะ <พอ S 1> ที่ที่ติดเพ่งครับหลุด <พอ S 1> แล้วคลายละพอจะมีของดีบูชาหลวงพ่ออยู่ใช่ไหมครับมีขอถวายเลยครับกราบเท้าหลวงพ่อเลยสาธุนะรื่มใจนะลู้สึ์ภาวนาถ้าสอนถ้าเป็นแทบตายแล้วไม่ยอมภาวนานะเราก็ไม่มีแรงสอนหรอก นี่ออกแขกวัดนะมาตีสามนะมาเนี้ยเดินทางมาหกชั่วโมงกว่าไม่ไดมาสอนชั่วโมงกว่ากว่าความปีติครอบงำการาบหลวงพ่อครับขอบคุณครับหลวงพ่อเห็นแล้วหลวงพ่อก็ปีติเหมือนกันนะแต่ละคนมีพัฒนาการดีอ่ะหมดแล้วนะหลวงพ่อเจ้าค่ะขออนุญาตเจ้าค่ะมีคำถามที่หลงเข้าไปใน การจับสลากผู้ส่งการบ้านเจ้าคะ่ะเขียนเอาไว้ว่ากราบน้ำมการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะโยมขอถามเกี่ยวกับการปฏิบัติเจ้าคะ่ะโยมพยายามดูจิตดูกายเป็นประจำแต่ก็หลงบ่อยๆบางครั้งก็หลงบ้างโดยเฉพาะตอนอยู่กับผู้คนเยอะๆควรจะทำอย่างไรดีคะที่ตัด อ, อยู่กับคนเยอะๆนะอยังไงก็หลง เพราะว่าเราอยู่กับคนเราก็ต้องคิดใช่ไหมกานคิดนนเราจะมารู้สึกกายรู้สึกใจไม่ได้เราต้องซ้อมตอนที่เราอยู่คนเดียวของเราทุกวันแบ่งเวลาภาวนาทุกวันทุกวันสักสิบหานาทีย0สิบนาทีซ้อมคอยรู้ทันใจที่ไหลไปใจที่หลงไปพุทโธพุทโธใจไหลแล้วรู้หายใจไปใจไหลแล้วรู้นะแต่ไปมาอยู่กับโลกนี่นไค่อยไหลต้องซ้อมเอา เหมือนนักมวยนะจะชกเก่งก็ต้องซ้อมชกนักภาวนาก็ต้องซ้อมภาวนาเจ้าค่ะกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะกราบในวัฒการค่ะท่านอาจารย์โยมเวลากวาดถนนหรืออะไรโยมจะเห็นจิตโยมคิดฟุ้งซ่านเห็นอยู่บ่อยๆแล้วก็ขวาดไปโยมก็เห็นว่าเออตะชี้ไม่ไม่เหนื่อยเดี๋ยวนี้เหนื่อยอแล้วก็เห็นมองไปมองมาเอ๊ะ โลหิตมันก็ไหลเวียนได้เองหัวใจมันก็เต้นได้เองอย่างนี้พิจารณาถูกหรือยังคะอย่างนี้แล้วเราดูกายแล้วก็ใช้ได้ค่ะแต่ดูไปเรื่อยๆจะเห็นเลยไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เราหรอกค่ะเคยเห็นไหมเคยไอ้ตัวที่ปวดเนี่ยไม่ใช่เราปวดหรอกค่ะโยมบางทีนั่งอยู่หรืออะไรอยู่ยังก็เห็นมองดูว่าเป็นเป็นโครงกระดูกเห็นกระดูกเราทีนี้เวลานั่งสมาธิก็จะดูว่าในครั้งแรกที่นั่งเนี่ยก็ก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดนะฮะ พอนั่งไปก็จะเห็นแล้วก็ดูเป็นดูลูกเราแล้วก็ดูจิตเราแล้วดูเวทนาถูกหรือยังนะใจมันต้องเป็นคนดูอยู่ต่หักนะกายกับใจแยกกันไหมใจเออถ้าแยกได้ก็ใช้ได้ถ้าไปรวมเป็นอันเดียวกันก็ใช้ไม่ได้พรพราเป็นพอเป็นนานๆนะมันก็จะรวมมันเพราะมันทนไม่ได้ความเจ็บปวดอมันก็จะเป็นรวมโยมก็แต่เวลาแยกก็อย่าไปจงใจแยกนะให้เขาแยกเอง ถ้าจงใจแยกก็ยังไม่ใช่ตัวรู้ที่แท้จริงแต่นิยมก็เป็นบัตถุแล้วใช่ไหมคะเออไปทำอีกนะยังไม่พอสำหราบนวัตกค่ะก็คงจะหมดเพลนเท่านี้ใช่ไหมคะสำหรับที่จะส่งการบ้านในในโอกาสที่เป็นพิธีการนะคะตั้งนโมพร้อมกันสามจบค่ะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมานิมะยังพันเตพัตานิสัปปริวารานิพิขุสังคษสะ โโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิพัตตานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอมหากังทีขารตังหิตายะสุขายะถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ถ้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตนาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ได้โปรดรับพัตนาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินเหยาถาวาริวะหาปุราริภุเรนติสาครังเอวามวายโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันทธปนร า, าสโสยถามณิโชติรสโสยถาสพิติโยวิวัชันตุสัพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันฑลายโยสุขีที่คายยโกภวะาอภาิวาธานาสีลิสนิจังุทธาปจายิโนจะตารโรธรมาวัทันตีอายุวันโนสุขังพะลัง อนุโมทนากับทุกท่านนะทุกสามาฟังทำโดนเฉพาะอนุโมทนาคนจัดเนี่ยต้องเหนื่อยมากเลยนะ